คนต่อมาก็สองคนต่อมาก็สามคนประมูลคนต่อมาก็สี่ทีละดอลลาร์ทีละดอลลาร์ก็เหมือนกับทีละบาททีละบาทแล้วกติกาข้อที่สองก็คือว่าใครให้ราคาสูงสุดก็ได้ไปแบบยี่สิบดอลลาร์แต่ว่าถ้าใครคนที่ประมูล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 ให้ราคาสูงสุดเป็นอันดับสองเกมก็ง่ายๆเนี่ยก็ประมูลกันนักศสาษาก็เป็นร้อยนะบางคนก็เริ่มต้นก็ว้าสิบตังค์นะห้าสิบตังค์แล้วก็คนถึงก็มามีห้าสิบตังค์ดอลลาร์นึ่งคนที่สองก็สองดอลลาร์ก็ให้กันไปเรื่อยๆ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 คนที่ให้สิบเก้าดอลลาร์ก็ต้องคิดว่าจะไม่ยอมแพ้ถ้าเพื่อนบอกยี่สิบตัวก็จะบอกยี่สิบเอ็ดอีกคนหนึ่งถ้ามันหยุดแค่นั้นเนี่ยก็จะต้องจ่ายยี่สิบก็ไม่ยอมก็ต้องให้ยี่สองคนที่ให้ยี่สเอ็ดนี่ถ้าหยุดก็ต้องจ่ายแล้วก็ไม่ได้สนับบัตรเดือนก็ต้องให้ ราคาเป็นยี่สิบสามมันก็แปลกนะคือถึงตรงนี้ก็น่าจะเลิกได้แล้ะเพราะว่าแบงก์มันยี่สิบดอลลาร์แต่ต้องจ่ายทีแม้จะต้องจ่ายยี่สองยิบสามนี่มันก็ไม่น่าแต่คนก็เล่นนะ บางทีตัวเลขมันไล่ไปถึง100ร้อยดอลลาร์เคยมีคนให้ให้ราคาถึงสนะองร้อยนะสองร้อยดอลลาร์เพื่อเพื่อได้ได้แบงก์ยี่สิบเนี่ยอันนี้ก็แปลกดีนะว่าทำไมมันมาถึงจุดนี้ได้ มาถึงจุดนี้ได้ยังไงประมูลเพื่อได้แบงก์ยี่สิบแต่ว่าต้องจ่ายกันเลยสองสองร้อยนนีแต่คนจ่ายเป็คนที่แพงนะคนที่สองคนที่ประมูลให้ราคาสูงสุดในลนับสองจ่ายแต่ก็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 นะจ่ายยนะี่สิบความไม่ยอมแพ้เนี่ยก็ต้องก็ต้องประมูลสูงขึ้นไปเรื่อยๆตัวเองให้ยี่สิบเพื่อนให้ยี่สิบถ้าตัวเองแพ้ตัวเองก็จ่ายยี่สิบตัวเองก็ต้องเลี้ยงต้องให้ยี่สองพอให้ยี่สองอีกคนหนึ่งนะถ้ายอมแพ้ก็ต้องจ่ายยีสบเอ็ด ก็ต้องให้ยี่สิบสามไอคนยี่บสองเนี่ยถ้าถ้าหยุดยอมแพ้นอกจากไม่ได้ยี่สิบดอลลาร์แล้วต้องจ่ายนะตามราคาที่ตัวประมูลก็คือยี่บสองก็ต้องเรียกยี่สบสี่คือทานที่รู้นะว่ามันแทบจะเกินเลยไปแล้วททาจะเวอร์ไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไม่มีใครหยุดนะ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 เอาเงินสองล้านกู้ไปก็ขาดทุนอีกนะหมดไปสามล้านแลต้องไปกู้มาอีกนะเพราะกลัวเสียสามล้านไปกู้มาเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจมันดีขึ้นเพราะถ้าไม่ดีขึ้นก็เสียไปสามล้านไปกู้มาอีสี่ห้าล้านเท ล, ลงไปนะอันนี้ยิ่งทำก็ยิ่งยิ่งสูญเสียหนักขึ้นหนักขึ้น เราถักว่าถ้ายอมนะยอมเสียหรือยอมแพ้นะมันก็ไม่เสียหายมากแต่พวกสัญชศตยาหรือนิสัยซึ่งก็เป็นสมนึกส่วนใหญ่คือไม่ยอมสูญเสียแล้วก็ไม่ก็คือไม่ยอมแพ้นะมันก็เลยเหมือนกับว่าขดลุมฝังตัวเองลึกขึ้นเรื่อยรืยลึกขึ้นเรื่อยๆื มีการการยอมรับนะความสูญเสียยอมรับความให้แพ้ท่แ พ, พ้เนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้ไม่สูญเสียหนักขึ้นหมอเนี่ยเวลารักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็ก็รู้ว่าคนไข้นี่จะตายแน่แล้วนะแต่ก็ไม่ยอมรับเนี่ยไม่ยอมรับว่าคนไขยย้ต้องตายเพราะมะเร็งก็พยายามทำทุกอย่างพ่าเอ้ย สายแสงเลยฉีดเคมีเลยซึ่งก็ทำให้คนไข้ทรมานมากบานทีคนไข้เองก็คิดบันด้กันนะว่ายอมรับไม่ได้ที่ตัวเองต้อง ต, ตายเพราะมะเร็งก็ต้องพยายามที่จะทำทุกอย่างสุดท้ายตึวงก็ทรมานทรมา น, น, นมากเจาะคอใส่ท่อพา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 ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้สูญเสียไม่พายแพ้แต่สิ่งที่ทําเนี่ยมันกับการกลายเป็นการทําร้ายตัวเองหรือทําให้สถานการณ์มันหนักขึ้นหนักขึ้นหรือว่าคนที่เขาเป็นข้าราชการที่เคยเล่าเป็นข้าราชการอาจจะไปทําธุรกิจบางอย่างน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 ก็กลายเป็นภาระที่ทำให้ต้องเป็นหนี้หนักเข้านั่นก็ถ ล, ล้ำลึกลงไปเรื่อยๆถล้ำลงไปเรื่อยสุดท้ายก็พอไม่เห็นทางออกก็เลยฆ่าตัวตายถ่าตัวตายเพียงเพราะว่าไม่อยากเสียบ้านไม่อยากเสียรถล้วก็รวมถึงไม่อยากจะเสียหน้าด้วย มันก็แปลงนะคนเรานี่อทิ้งชีวิตได้แต่ว่าไม่อยอมทิ้งรถไม่อยอมทิ้งบ้านคือถ้าว่ายอมยอมเสียมันไปนะบ้านบ้านเ อ, อ่ยรถเ อ, อ่ยเสียไปนะก็หาใหม่เริ่มต้นใหม่ไปอยู่ห้องแถวไปอยู่บ้านเช่านะแต่ว่าคน ส่วนใหญ่ก็ยอมรักสถานมีไมมได้ก็ต้องพยายามททุกอย่างเพื่อจะให้บ้านอยู่รถอยู่และวิธีที่คนก็นึกถึงก็คือไปกู้เงินมาไปกู้เงินมาผ่อนเสร็จแล้วก็อ า, าการก็เลวร้ายหนักขึ้นเรืเลยเถิดเ้าคนธรรมดาเนี่ยที่เขาอยู่ในอยู่เป็นผู้สังเกตการณ์เขาคงก็คงรู้ว่าเฮ้ยนี่มัน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 เราก็ทําให้ไม่ดิ้นรนที่จะทําทอะไรที่มันที่มันเลยเถิดยิ่งกว่าเดิมเงินหายเอายอมรับซะแต่พอยอมรับไม่ได้เงินหายเนี่ยมันก็กุ้มหัวกุ้มใจพอกุ้มหัวกุ้มใจก็นอกจากจิตใจจะเย่ยมแย่เลยนะสุขภาพก็ย่ยมแย่ตามมาด้วย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 พรยอมรับเงินเสียยอมรับที่เสียเงินไม่ได้ยอมรับที่เงินหายไม่ได้มันก็เลยเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสัมพันภาพมันลุกลามไปเรื่อยๆเพราะเพียงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความสูญเสียแต่ว่าไอ้ผลเสียเนี่ยอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันใช้เวลานะเงินหายวันนี้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 ว่าคนเรานี่เป็นเพราะไม่ยอมรับความสูญเสียก็เลยแทนที่จะเสียมากก็เลยเสียมากไปหรือแทนที่จะเสียมากก็เลยเสียมากยิ่งขึ้นใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนะี่ยมันมันก็ทําให้เรียกว่าอะไรความรู้ตัว หรือว่าสัมปชัญญะรวมทั้งสติปัญญานี่มันมันบกพร่องไปเพราะว่าถ้าถ้าเราใคร่ควรด้วยด้วยสติด้วยปัญญามันก็รู้ว่าทาต่อไม่ได้นะเกินกว่านั้นนี่มันมันเลยไปละมันเลยถเถอดไปล้ะต้องหยุดได้แล้วแต่ไม่ยอมหยุดนะ อันนีไรเด็กคนเล่นพ น, นันนะคนเล่นพ น, นันเนี่ยถือมาทีแรกจะได้นะเล่นร้อยได้พันหรือว่าได้หมื่นนะแต่ว่าเริ่มเสียแล้วตอนเล่นไปเล่นไปก็เสียนะ้ได้หมื่นเนาะเสียเสียไปเจ็ดตัดพันก็แทนที่จะเออแทนที่จะเลิกถึงเมื่อก็ได้กําไรนะเพราะเราสตาร์ทมาแค่พันเนี่ยได้มาหมื่น เสียไปเจ็ดพันเรื่องะได้อีกสามพันมันไม่ยอมนะมันก็จะสู้นะเอาสามพันเนี่ยเทยเข้าไปเพื่อจะได้เจ็ดพันที่เสียไปคืนมาพรากว่าหมดเไปก็เลยเสียหมื่นเสียหมื่นก็เสียไดย้ก็ทุ่มไปนะทีแล้วก็สองสามพันก็หมดไปอีกนะก็ทุ่มไปอีกนะยิ่งเสียก็ยิ่งทุ่มนะ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 มันก็หลงมันก็ลืมตัวได้หลายด้วยเหตุผลหลายอย่างคือยความโกรธด้วความกลัวนั่นท่เรารู้ทันนะรู้ทันในใไออารมณ์ต่างๆที่ทําให้ลืมตัวเราไม่ปล่อยให้มันครอบงําใจจนหมดเนื้อหมดตัวนะอันนี้ก็มันก็ทําให้เราไม่เผลอทําในสิ่งที่มันแย่ได้